น้อยคนหนึ่งนะไม่ชอบผีเสื้อมากก็ออกไปไล่จับผีเสือ้อแต่ก็ไม่ค่อยได้หรอกนะเพราะว่ายังเด็นอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักธรรมชาติของผีเสือ้อเด็กต้อยก็เสียใจม่ก็เลยบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะถ้าอยากได้ผีเสือ้ออยากเห็นผีเสื้อนี่ก็ อ, อย่างนี้ดีกว่านะ ปลูกดอกไม้มาปลูกต้นไม้ไม้ดอกที่บ้านปลูกเยอะๆแล้วเดี๋ยวผีเสื้อก็จะมาเองเด็กก็เชื่อนะหน้าบ้านก็มีพื้นที่ที่โล่งอยู่แปลงเล็กๆเด็กก็ไปเตรียมดินถนะางย่าก่อนนะเพราะมันมีย่าค่อนข้างรก สังยาแลขุดหลุมแล้วก็ปลูกต้นไม้เรื่องไม้ดอกนาน า, นาพันธุ์ไม้เอาไม้ลงหลุมแล้วก็หมันรดน้ําแล้วก็ดูแลพอต้นไม้โตนะออกดอกผีเสื้อก็ามาเลยผีเสื้อนานาชนิดก็ามาเมื่อดอกไม้มันบาน สะพังในสวนหน้าบ้านเด็กน้อยก็ไม่ต้องไปไล่จับผีเสื้อที่ไหนแล้วเพรอผีเสื้อมาหาเองเนี่ยที่บ้านพอมีดอกไม้ผีเสื้อนี้ก็อุปมาเหมือนความสุขนะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้ความสุขแล้วก็ไปตามหาความสุขไล่ล่าหาความสุขโดยการไปกิน เที่ยวเล่นหรือว่าไปช็อปนะ่าคิดว่านั่นจะทำให้มีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องไปไล่ล่าหาความสุขหากว่าเราทำตนให้ให้ดีให้มีชีวิตที่งดงามนะความสุขมันก็มาหาเราเอง ความช่วยงดงามนี่ก็เริ่มตั้งแต่การมีความประพฤติ ท, ที่ดีไม่ไปเบียดเบียนใครยิ่งกว่า น, นั้นก็ยังมีน้ำใจเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้คือเรามีศีล น, นะศีลนี่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้หวังให้คนชื่นชมสรรเสริญ ไม่ได้ทำไปเพื่อสร้างภาพย่อมให้เกิดสุขนะอย่างที่ภาพเวลาให้สีเนะี่ยสีเลนัสสุกติงยันติสีลทาให้เกิดสุขสุขที่ว่านี่มันเป็นความสุขใจนะสุขใจที่ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมารบกวนเพราะว่าถ้าหากว่าไปเบียดเบียนใคร ว่าเบียดเบียนด้วยวาจารหรือด้วยการก ร, รนะทรมุ่งร้ายต่อทรัพย์สินของเขาคนรักของเขานะ น, นี้มันก็ทำให้มีเรื่องเตือนน้อนร้อนใจอยู่ร้อนนอนทุกขนะ์แต่พอเร า, เามีศีล นี่พฤติกรรมที่ดีนะรู้จักฝึกตนเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของพฤติกรรมความสัมพันธะ์ความสุข่าค่อยนะซึมซับเข้ามานะในจิตใจของเราแล้วยิ่งนะฝึกลึกลงไปนะถึงจิตใจ จิตใจมีเมตตากรุณามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแพรมีความใหหนกเห็นใจรวมทั้งมีความจักอดกลั่นและที่สมคัญกคือมีความรู้สึกตัวมีสติมีปัญญาอันนี้มันก็เหมือนกับว่า เป็นการเชิญชวนให้ความสุขเข้ามานั่งอยู่ในใจเราเหมือนดอกไม้เนี่ยเหมือนเด็กน้อยเนี่ยนะที่เมื่อทําพื้นที่นาบ้านให้งดงามด้วยต้นไม้นาน า, น า, นาพันุ์ผีเสื้อมันก็มาหาเองไม่ต้องเหนื่อยไล่ล่าจับผีเสื้อแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าผีเสื้อนี่จะบอกช้ํา แล้วการไปเอาตะข่ายไปจับเขาผีเสื้อมาเองแล้วก็มาให้เราชื่นชมถึงเวลานะเขาก็ไม่ได้ต้องทุบร้อนหรือเจ็บปวดนะกับการไล่ล่าของเราผู้ง่าคือว่ามันไม่เกิดโทษในความสุขที่ผู้คนไปไล่ล่าหามาเนี่ยมัน ให้สุขก็จริงนะแต่ว่ามันก็เจือไปได้วยโทษ <Yeah. S 1> เพราะว่าวิธีการที่ไปหาความสุข mm. ด้วยการเสพด้วยการครอบครองวัตถุอันนี้บางครั้งเนี่ยมันก็หรือบ่อยครั้งเลยนะมันก็ทำให้เหนื่อยทำให้ล้าแต่บางทีอดไม่ได้ที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไปแก่งแย่งแข่ง หรือไปแย่งชิงจากคนอื่นเกิดศัตรูเกิดคนที่เป็นปฏิปักษ์ก็ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงอาจจะสุกกายนะแต่ว่าใจไม่สบายแต่ถ้าว่าเรามาทำที่ใจของเราทำใจให้งดงาม ทำชีวิตให้งดงามด้วยศีลด้วยธรรมให้ความสุขมันก็มาเองเป็นความสุขใจวันนี้ธรรมที่ว่านี่นะมันก็หมายถึงคุณภาพจิตฝ่ายบวกนอกจากศีลซ้วยเป็นเรื่องของพฤติกรรมแลนะ้วเนี่ยคุณภาพจิตฝ่ายบวกนี่ก็มันก็ช่วยทําให้ชีวิตงดงามนะ ความเมตตากรุณาความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความใจกว้างความรู้จักยับยั้งชั่งใจความรู้จักพอสันโดษรวมทั้งความรู้สึกตัวทั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันทําให้จิตงดงามเหมือนกับมีดอกไม้นะบานสับพรั่งเนะี่ยมันก็เชื้อเชิญเชิญชวนให้ความสุข ซึ่ง อ, อุปมามันก็ผีเสื้อเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราอันนี้คุณธรรมเนี่ยหลายอย่างเนี่ยหรือว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะจริงๆมันก็ไปไม่ต้องไปตามหาที่ไหนนะบางคนเนี่ยอุตส่าห์ไปวัดไปที่ต่างๆเพื่อจะได้พบกับความรู้สึกตัวหลายคนมานีเนี่ยก็ ก็เพื่อมาตามหาความรู้สึกตัวแต่จริงความรู้สึกตัวนี่มันไม่ต้องไปตามหาที่ไหนหรอกมันก็มีอยู่แล้วในใจเราเพียงต่ว่ามันอาจจะถูกเปลือบคลุมห่อหุ้มหรือบดบังด้วยสิ่งสิ่งหนึ่งนะซึ่งนั่นคือความหลงนะความหลงแล้วถ้าความหลงนี่มันมันหนานแน่ในในใจเรานะ มันก็ทําให้จิตใจหมองมัวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจิตใจผ่องใสยอยู่แล้วนะอย่างที่พระุทธเจ้าตรัสว่าจิตนั้นเป็นภระสอแต่ว่าเศร้าหมองเมื่อเพราะกิเลสจรเข้ามาก็นะเหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันก็สว่างสวยตลอดเวลาแต่ทาไมบางช่วงบางเวลามันมืดคลึ้มบางทีไม่ถึงกับมืดแต่เป็นครึม อันนี้พาอมีเมฆมาบดบังโดยที่ก็ยังส่องสุขสว่างส่องสว่างอยู่นั่นเองแต่ว่าพอมีเมฆมาบดบังก็เลยคลึ้มใจเราก็เหมือนกันนะมันมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วนะไม่ต้องไปไล่ล่าหาที่ไหนเพียงแต่ว่ามันถูกความหลง นะครอบงานะสิ่งที่เราทําคือก็เออเอาความหลงออกไปทำไงจะหายหลงได้น ะ, ะก็ต้องมีสติมีสติสติช่วยขับไล่ความหลงออกไปจากใจแล้วทําให้ความรู้สึกตัวนะได้ปรากฏชัดเจนขึ้นเราไม่ต้องไปหาความรู้สึกตัวที่ไหนมันมีอยู่แล้วในใจเราเพียงแต่เราต้องให้ สติมาช่วยกนะับไล่ความหลงไปเราหลงเพราะอะไรนะหลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์แต่ทันทีที่มีสตินะเห็นความหลงหรือว่ารู้ทันความคิดที่มันดึงจิตเข้าไปในความหลงรู้ทันอารมณ์เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่ใจเนี่ยมันจะพลัดหลงก็ไป ความคิดและอารมณ์นะสติก็เหมือนกับว่าดึงจิตออกมาจากความหลงนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวพอเกิดขึ้นนะโอ้ทีนี้ความหลงก็จะมาคลองใจลำบากแล้วแต่ถ้าเผลอเมื่มอไหลน ะ, ะใจมันก็ไปแล้วไนะหลเข้าไปในความ หลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดทุกข์แล้วหลายคนก็คิดว่าจะไปดับทุกข์ด้วยการไปหาอะไรที่สุขที่เป็นความสุขมาแทนที่พอเครียดพอเศร้าพอเบือ่อก็นึกไปถึงจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นที่ไหนบางทีเครียดมากๆกก็ไปหาเหล้า หวังว่ามันจะย้อมใจขับไล่ความทุกข์ออกไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมีแต่ทาให้หลงมากขึ้นตกเป็นทางกิเลสมากขึ้นในทางตรงข้ามนะกลับมามีสติแล้วร็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราก็นั้น ตอนเยวไมีความสุขตัวมากๆ ก, ก็ต้องสร้างสติเยอะๆสร้างสติอย่างไรนะก็เริ่มต้นโดยการให้มีสติอยู่กับกายหมายความว่าเวลากายทำอะไรนะนะก็รู้นะรู้สึกนะอย่างที่เรามาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะเนี่ยมันก็เพื่อฝึกให้ จิตเนี่ยนะมันมารู้กายรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นตัวบอกนะว่าเนี่ยตอนนี้ฉันยังมีสติฉันยังมีความรู้สึกตัวอยู่ถ้าเกิดใจลอยเมื่อไหร่นะหรือเรียกว่าหลงเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแล้วนะไม่รู้สึกว่ากำลังเดิน ไม่รู้สึกถึงมือที่เคลื่อนไปมาเวกนคือไม่รู้สึกตัวมีสติรู้กายมีสติดูกายไม่ใช่จ้องไม่ใช่เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าแต่แค่รู้รวมรวมนะรู้เบาๆว่ากายกำลังเคลื่อนไหวต่อไปเนี่ยนะสติมันวัยขึ้นพัฒนาขึ้นนะมันก็จะ รู้สิ่งที่ละเอียดกว่านั้นนะคือรู้ความคิดและอารมณ์เมื่อการเคลื่อนไหวของกายนี่มันหยาบนะมันหยาบแต่มันก็เป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นที่ดีนะสำหรับการฝึกให้มีสติเมื่อรู้กายหรือเห็นกายเคลื่อนไหวนะต่อไปมันก็รู้ใจคิดนึกอ่า รู้ใจคิดนึกรู้ทันความคิรู้ทันอารมณ์ยังไปช่วยขับไล่ความหลงออกไปทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องบางคนเนี่ยบางทีรู้สึกตัวแล้วนะแต่ก็ยังไม่ร้ว่านี่ไอ้ภาวะนั่นนะคือความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้กันเยอะ หลายคนเนี่ยก็ถามว่ารู้สึกตัวเป็นอย่างไรนะทั้งที่ตอนนั้นอาจจะยังรู้สึกตัวอยู่ก็ได้แต่ว่ามันถูกบดบังด้วยความสงสัยมันหลงเข้าไปในความคลุนคิดว่าความรู้สึกตัวคืออะไรแต่พอความคลุนคิดหายไปความสงสัยหายไปนะความรู้สึกตัวก็ปรากฏขึ้นมาเลย เราไม่รู้จักความรู้สึกตัวเพราะมันไม่ต่อเนื่องนะมันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยรู้สึกไม่ชัดหรือว่าเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆนะเวลาทําอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เดินจงกรมไม่ใช่แค่สร้างจังหวะแต่เวลาอาบน้ำเวลาถูฟันเวลากวาดบ้านใจก็อยู่บ กิจนั้นๆเวลาใจมันลอยคิดออกไปนอกตัวรู้ทันพาใจกลับมาอยู่กับงานที่ทำอาบน้ำอยู่ใจมันคิดถึงงานที่จะต้องทำเช้านี้มคิดไปได้สักพักเออระลึกได้มีสติกลับมานะจิตกลับมาอยู่กับการอาบน้ำ รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของมือที่รูปไร้ร่างกายรับรู้ถึงความสดชื่นเมื่อน้ำมาสัมผัสกายนะมีความพอใจเกิดขึ้นก็เห็นเห็นความพอใจนะบางทีมีความกังวลเพราะนึกถึงงานการที่ต้องทาในวันนั้นเอาก็เห็นมันแล้วก็หลุดออกมามาอยู่ความสึกตัวมาอยู่กับกายเหมือนเดิมล้างหน้าก็เหมือนกันนะ กินข้าวก็เหมือนกั น, นตักอาหารเคี้ยวเข้าไปสังหารไตปากเคี้ยวออกก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายมันมีความพอใจกับอาหารก็เห็นมีความไม่พอใจกับอาหารรสชาติของมันก็เห็นกาลังกินข้าวอยู่ใจลอยนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงงานเอาก็เห็นรู้แล้วก็สลัดวาง ใจกลับมาอยู่กับการกินมันจะมีความอยากนะอร่อยถูกปากอยากกินเยอะๆบางทีเคียวแบบนะเรียกว่าเคียวเร็วๆจะได้กินเยอะๆอะก็เห็นมันรู้ทันมันนี่เราฝึกได้นะกับที่ประจำวันแม้กระทังการฟังทำเนี่ยนะ เวลาฟังธรรมเนี่ย เ, ออเราก็มีสติได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้กายทำงานนากที่เราฟังธรรมหรือฟังคำบรรยายนะ ใ, ใจเราก็อยู่รู้ติดตามนะถ้อยคำที่ได้ยินนะอย่างต่อเนื่องบางช่วงใจมันแว บ, บออกไปข้างนอกนะก็ให้รู้เวือไวรู้ทันไว ปรุธทันเนี่ยมันก็จะละไอ้ความคิดที่ปรุงแต่งกลับมาอยู่กับถ้อยคำที่ได้ยินบางทีมีบางจุดที่ไม่เห็นด้วยมันมีการโต้แย้งกันบางทีโต้แยง้งจนลืมไหมนะว่าผู้พูดนี่พูดไปไกลแล้วรู้ตัวนะวางนะสิงโต้แยง้งเก็บไว้ก่อนแล้วก็ตามคำพูด หรือคำบรรยายที่ได้ยินบางทีฟังแล้วเออนึกถึงเรื่องโน้เรื่องนี้ใจลอยนะก็รู้ทันกลับมาบางทีมีเสียงหมาเหา่าเสียงโทรศัพท์ดังใจมันเผลอนะไปบนเสียงหมาเห่าไปบนเสียงโทรศัพท์หรือเจ้าของโทรศัพท์สักพักก็รู้ตัวอถอนใจออกมาจากเสียงหรือต้นเสียงนั้นมาโยกกับคำบรรยายตามไปเรื่อยๆนะ น, นี่ก็เป็นการฝึกสติได้นะไม่ใช่แค่ฟังธรรมเดียฟังการสนทนานะบางทีต้องเจอคนต้องพูดคุยกับคนมันก็ฝึกสติได้นะมีสติกับการพูดคุยนะเริ่มจากมีสติการฟังนะหลองที่ก็พูดนะใจเราก็รับรู้สิ่งที่เขาพู ด, นะ บ, าพดบางทีเข้ามาระบายบางทีเข้ามา ขอความช่วยเหลือมางีเ็ามีปัญหาเราก็ฟังอย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งคิดนะว่าจะแก้ปัญหาให้เขาอย่างไรอย่าเพิ่งวิเคราะหนะ์ปัญหาของเขาเหรืออทางออยเขาฟังให้จบซะก่อนบางคนนี่นะเวลามีคนทุกมาระบายมาขอความช่วยเหลือไม่ทันฟังให้จบเลยนะแล้วก็ บอกเขาแล้วนะต้องทำอย่างง้นอย่างนี้หรือระหว่างที่ฟังเนี่ยก็คิดหาทางออกคิดหาทางแก้เขาซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเจตนาดีแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเรียกว่ายัางฟังอย่างไม่มีสติเท่าไหร่เพราะไม่ได้อยู่กับคนที่เขากำลังอยู่ต่อหน้าเราฟังเขาให้จบระหว่างที่ฟังก็อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าอ่อนแอจังเลยหรือว่าแค่นี้เอง มาเศร้าเสียใจไปทําไมคนหนึ่งเขาเจอหนักกว่าเธอเยอะนะมาันา จ, จะมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นหราที่ฟังเขาก็รู้ทันแล้วก็วางนะยังไม่วิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ตัดสินแล้วก็อย่าเพิ่งไปหาทางออกให้เขาเพราะเรายังไม่รู้เลยปัญหาที่แท้จริงของของเขาคืออะไรจนกว่าเราจะฟังให้จบนะบางทีสิ่งที่เขาพูดมาอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาเขามากเท่ากับ สีหน้าแววตาหรือน้ำเสียงนะถ้าใจเราเนี่ยเปิดรับอย่างมีสตินะเราก็จะสามารถจะช่วยเขาได้อย่างเต็มที่เพราะบางทีแม้เราจะไม่มีทางออกให้เขาแต่แค่เรารับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยใจที่อยู่กับเขามันก็ช่วยเขาได้เยอะนะเวลาพูดกับเหมือนกันนะเออพูดเราก็พูดอย่างมีสติ ไม่ใช่พูดจนเพลินพูดจนไม่รู้ว่าคนฟังเขายังสนใจอยู่หรือเปล่าบาีคนฟังก็เบื่อแล้วแต่ว่าคนพูดยังมันอยู่นะเรียกว่าน้าลายแตกฟองแบบ น, นี้ก็มีเยอะนะพูดโดยไม่สนใจคนฟังพูดโดยอารมณ์พาไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการพูดทย่งมีสติต่เราต้องการพูดอยงมีสตินะเอ้าเราก็ต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ควรหยุดแค่ไหนจึงจะพอแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ไม่พูดด้วยความมันหรือพูดด้วยความโกรธมันอาจจะมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะความเพลินความมันความโกรธแต่ว่าก็เห็นมันนะอันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้นะในชีวิตประจําวันมันไม่ใช่ว่าต้องฝึกกับการกระทําที่ใช้กายแม้กระทั่งการคิดนะคิดอย่างมีสติได้นะไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะที่ห้ามคิดเนี่ย อันนั้นมันอาจจะเป็นคำแนะนำคิดมีประโยชน์ในบางกรณีบางสถานการณ์แต่ว่าจิตมันห้ามคิดไม่ได้หรอกอยู่ที่ว่ามันจะคิดอย่างตั้งใจหรือว่าคิดแบบไม่ตั้งใจไอ้คิดแบบไม่ตั้งใจก็รู้ทันแต่ถ้าคิดแบบตั้งใจเนี่ยสติก็สำคัญนะเพราะว่าสติมันจะทำให้คิดอย่างมีทิศทางเนีย ไม่วกวนบางทีคิดเรื่องนี้แต่กระโดดไปคิดไปคิดเรื่องนั้นนะคิดเรื่องงานแต่เดี๋ยวก็ไปนึกถึงลูกไปนึกถึงพ่อแม่ไปนึกถึงเรื่องเที่ยวก็มีสติเห็นนะรู้ทันนะกลับมาอยู่กับการคิดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ใช่คิดวกวนคิดจบก็จบนะไม่ใช่ยังไม่แล้วใจเอามาคิดต่อมันก็มีนะ อันนี้เพ่อว่ายัางไม่แล้วใจนั้นการคิดอย่มีสติมันก็ทําได้แล้วก็จําเป็นด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ความคิดที่ออกมามอาจจะเป็นอุบายของกิเลส ก, ก็ได้หรือถึงแม้มันจะอุบายกิเลส ก, ก็ให้รู้ทันนะอ้าวเนี่ยกิเลสมันหลอกแล้วนะมันหลอกเราแล้ ว, ลวมันสรรหาเหตุผลข้ออ้างมาเพื่อที่จะหลอกให้เราทําอย่างงน่นทาอย่างนีพางงาน้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้รู้ทัน การคิดอย่างมีสติมันทำได้แล้วก็จําเป็นด้วยยิ่งคนที่มีปัญญามากมีความคิดเก่งมากเนี่ยบางทีมันคิดไม่หยุดก็มีนะคิดย่งมีสติคือรู้ว่าเนี่ยตอนนี้พอได้แล้วฉันจะทำอย่างอื่นลวหรือว่าตอนนี้ฉันจะเข้านอนละแต่คนคิดเก่งเนี่ยบางทีคิดไม่หยุดกลายเป็นท่าของความคิดไปอันนี้เรามีปัญญามากไปมันก็ต้องมีสติเข้ามากากับเพื่อให้ การคิดเก่งนั่นเนี่ยมันมีความสมดุลคือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรคิดแล้วเมื่อไหร่ควรหยุดคิดเก่งก็ดีแต่รู้จักวางความคิดนะได้แ่ น, นี้ก็เป็นการเจริญสตินะที่เราสามารถจะทาได้แล้วพอเราฝึกสติแบบ น, นี้มากเข้านี่นะมันก็ช่วยทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือปรากฏแสดงอย่างชัดเจนต่อนเนื่องแล้วพอความรู้สึกตัวเนี่ยนะ มีกำลังมีความมีพลังมีความต่อเนื่องนะไอความสุขมันก็มาเองนะมันเข้ามาเองเหมือนกับปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้ในบ้านเดี๋ยวดอกไม้เดี๋ยวผีเสื้อก็มาเองให้เราลองสังเกตแล้วก็ศึกษาดูอ้าวชาติหนึ่เทื่อนนีนะเอากรบ